ทีมหาดใหญ่นั่งที่ไหนกันมาเมื่อไหร่มาถึงเมืองชนไม่เช้าเหรอ่าเอา็ชัวช่วนหน่อยนะนั่งรถทั้งคืนฟังธรรมไม่ไหวอะหลวงพ่อเคยไปหาครูบาอาจารย์เงี้ยนั่งรถไปทั้งคืนไปถึงวัดเชา้า กะว่าฟังธรรมเสร็จแล้วจะพักสัหน่อยมีพระผู้เท่าองหนึ่งท่านสนเรียกหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกับท่านนั่งเผชิญหน้ากันชวนเราเอ็กซเซอร์ไซส์ใช้พลังจิตโจมตีตรงโน้นอย่างนี้มีกระบวนท่ามากมาย สุดท้ายหลวงพ่อชักโมโหนะเราง่วงอ่ะเกือบจะกระแทกท่านตกอาสน ะ, ะรู้อยู่ว่าถ้าร่างกายเราไม่พร้อมภนาะวนาไม่ไหวอนอนมากไปภาวนาไม่ได้อดนอนนานๆไม่คุ้นเคย แก่กับการอดนอนภาวนาไม่ขึ้นนะครูบาอาจารย์ก็เป็นนะอย่างหลวงปู่ฟันนะ่นเนี่ยท่านอดนอนเก่งแต่ท่านต้องฉันถ้าไม่ไม่ได้ฉันข้าวอดข้าวอะไรอย่างนี้ท่านภาวนาลำบากทัดขันไม่อำนวยบางองคนะ์ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่ทุย ท่านบอกให้ท่านอดข้าวอะได้อดได้หลายหลาวันเลยแต่อดนอนไม่ได้อดนอนวันเดียวเนี้นอนชดเชยสามวันเลยนี่เราก็ดูตัวเองกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีพอดีหุงแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นครูบาอาจารย์จริงไม่ได้บังคับอว่าจะต้องกินแค่ไหนนอนแค่ไหนไปดูตัวเองว่า กินแค่ไหนแล้วสติเกิดบ่อยนอนแค่ไหนแล้วสติเกิดบ่อยอะไรอย่างนั้นค่อยๆสังเกตตัวเองไปมันสังเกตตัวเองอย่างในแต่ละวันนะในแต่ละเวลาช่วงไหนสติเกิดดีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนตื่นเช้ามานะสติเกิดดี คนในเมืองนะโอกาสยากที่ตื่นเช้าแล้วจิตจะสงบสบายอะไรเงี้ยพอตื่นเช้ามาก็ตลีตาลานออกจากบ้านกันแล้วยังไม่ทันจะสว่างก็ออกจากบ้านกันนะมัวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นะถูกไล่ออกจากงานบางคนก็ชอบภาวนากลางคืนก่นะอนนอน กลางวันเขาทำงานไปทั้งวันนะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วกลับมาถึงบ้านเหมือนนกปีกหักเนี่ยสมสารแล้วอวดจะไปนั่งสมาธินั่งปุ๊บหลับปั๊บเลยใครเป็นบ้างอย่างเนี้ยม่ต้องดูตัวเองว่าเวลาไหนที่สติเกิดดีโชโอกาสใช้เวลาตอนนั้นนะอย่างหลวงพ่อ ภาวนาช่วงแรกๆนะ่สังเกตประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยจิตจะมีพลังมากสามสี่โมงเย็นมันเริ่มผ่อนคลายแนละ้วเดี๋ยวใกล้เวลาจะได้กลับบ้านช่ยมันผ่อนคลายแต่ยังไม่ได้เลิกงานเราอยู่ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมตอนนั้นทำไม่ได้ พรวพ่อก็ใช้วิธีเจริญสติไปเรื่อยนะทำงานที่มันเบาลงหน่อยไม่ต้องคิดมากเห็นจัดเอกสารสมัยน้นมันเป็นแฟ้มเป็นอะไรจะเลิกงานแล้วก็ทำเป็นจัดแฟ้มที่แท้คือได้ภาวนาไน้เก็บเวล า, อาเอาแขียที่ทำงานสี่โมงครึ่งนีจิตยังมีพลังเป็นช่วงที่จิตมีพลัง ภาวนาทำงานอยู่ในธรรมเนียบบ้านอยู่เมืองนนท์พ่อเดินจากธรรมเนียบนาะไปเทเวศไปลงเรือกลับเรือสบายกวา่าลงเรือได้ก็ภาวนามาได้ตลอดทางเลคนที่นั่งเรือกับคนที่นั่งรถเนี่ยจิตไม่เหมือนกันห คนนั่งรถเนี่จิตฟุ้งซ่านถ้าคนนั่งเรือเนี่ยใจมันสบายผ่อนคลายแต่เกือบร้อยละร้อยนะมันนั่งเ อ, อือ น, น์ตาหวานหวานมันเปืน่นเปลือนไนนเราก็ภาวนาไปเรื่อยเนี่ยหลวงพ่อเก็บอย่างนี้นะแล้วแต่ละชั่วโมงก็ภาวนาทําเป็นเดินไปห้องน้ําเดินทิชชี่อะไรอย่างเงี้ย ลุกจากที่นั่งขยับเลยรู้เลยว่าเวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เราขยับมือก่อนขยับมือดึงตัวขึ้นมาอย่างนี้นะค่อยลุกขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ําไปฉี่เสร็จตอนกลับมาเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละเนี่ยแต่และชั่วโมงนะจะพยายามเบรกตัวเองถ้าทําได้นะช่วงที่งานติดพันตรุมบอลก็ทําไม่ได้อ แต่เก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้เรื่อยๆตอนเย็นเลิกงานแล้วก็รีบกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรแล้วก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้ววันนี้จิตฟุ้งซ่านมากจิตไม่สงบฟุ้งซ่านมากก็ไปซื้อนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านการ์ตูนเด็กนะเนื้การ์ตูนะตญี่ปุ่นอะไรอ่งี้อ่านแล้วคงฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเก่า มีแต่เรื่องลามกใช่ไหมหลวงมไม่เคยอ่านนะตุนพวกนั้นได้ยินว่างั้ น, นการกระตุ้นเด็กๆเนี่ยขายหัวเลาะ อ, อะไรอย่างเงี้ย น, นะยังอยู่ไม่เลยเจนไปแล้วหนังสือตอนนี้เจงไปหมดแะบางวันหนังสือไม่มีหนังสือไม่ออกวันนั้นก็นั่งดูพักเครื่องส่องพักเครื่องมีอยู่ไม่กี่องค์อะส่องเป็นทุกวันลนะ ดูไปเรื่อยๆเวลาดูพระจิตมันเชื่อมต่อกับพระจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาจิตมันเชื่อมกับครูบาอาจารย์เป็นวิธีทำสมาธิแบบง่ายที่สุดเลยแต่พวกเราถ้าไม่ชํานาญอย่าเล่นเลยเพราะว่ามันจะออกนอกจิตออกไปสัมผัสที่พระเครื่องแล้วมันไม่กลับ ผลงพ่อพอสัมผัสนะจิตมีพลังมันกลับมานี่เลยกลับมาเองเนี่เราสามารถทำสมาธินะในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็ดูตัวเองอนะ่ะแต่ละคนมันเหมาะไม่เหมือนกันเวลาดึกๆกตื่นขึ้นมาก็มานั่งสมาธินั่งอยู่บนเตียงแหละนั่ง ไม่ลุกขึ้นเดินจงกรมอเดินจงกรมแล้วมันหายซึม ง, ง่ายนั่งแล้วมันพร้อมจะหลับเราก็นั่งไปหลับใดที่จิตยังไม่สว่างขึ้นมานะยังมืดมัวมีโมหะอยู่เราไม่นอนต่อตั้งใจไปอย่างนี้จะลุกขึ้นเดินนะแป๊บเดียว ม, มันสว่างเราเอากายเข้ามาช่วยยังพยายามฝึกจิตตัวเองนะ ต่อมาเนี่ยพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บแนละ้วจิตสว่างปุ๊บเลยนะจิตโรงสมาธิขึ้นมา ท, ทันทีเลยตัวรู้ว่าโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยฝึกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยใช้วิธีสังเกตตัวเองเอานะทำอะไรแล้วสติเกิดดีสมาธิเกิดดีปัญญาคล่องแคล่วนกะารเจริญปัญญาคล่องแคล่วก็เอาอ น, นั้นแหลนะช่วงไหน จิตไม่มีแรงทำสมถะนะวิธีทำสมถะของหลวงพ่อมีตั้งแต่อ่านกระตูนเวลาใจเครียดมากเนี่ยไปทำสมถะนะใจไม่ลงง่ายหรอกทำให้มันผ่อนคลายก่อนยังมีบางคนนะภาวนาจิตไม่สงบเลยหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างเขาบอกเขาชอบร้องเพลงบอกว่าไปร้องเพลงเลย ไปร้องเพลงเป็นคาวาสนะปลาก็ไม่ได้อนะไปร้องเพลงเนะพอใจผ่อนคลายแล้วก็ภาวนาต่อนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจการปฏิบัตินะอะไรๆมันก็เอาไปปฏิบัติได้หมดอนะ่ะกวาดขยะก็ทําได้ล้างรถก็ทําได้นะบางคนชอบล้างรถนะล้างรถแล้วจิตใจมีความสุขเบิกบานเนี่ยตรงนั้นนะ่ะจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมามีพลังขึ้นมา แล้วก็เดินต่อปัญญาเข้าไปเลยนะเห็นร่างกายมีเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายมันล้างรถเราไม่ได้ล้างรถคือบางคนชอบหมาชอบแมวนะอาบน้ําหมาอาบน้ําแมวอนะไรไปเอาแชมพูฟอกแล้วก็เก่าเก่าเก่ามันมันก็พรืมมีความสุขเราก็มีความสุขด้วย นจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในชีวิตของเราตอนไหนควรทำสมถะก็ทาสมถะหาอารมณ์ที่มีความสุขมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตอ่าอ่านหนาังสือกระตนเนี้ยจิตมีความสุขอย่สองพระเครื่องเนี้ยนี่ยอันนั้นเป็นการดูจิตนะจับที่พลังไม่ได้ดูตัววัตถุหรอก ดูเข้าไปที่ตรวจจิตแต่ถ้าเราดูเข้าไปที่ตรวจจิตไม่ได้อย่างเงี้ยมชอบพระเครื่องดูพระเครื่องแล้วอุ้ยมีความสุขอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วว่าอุ๊ยน่าจะหารุ่นนี้เพิ่มอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอนั่นไม่มีสมาธิแล้วนะนั้นนั่มีโลภะนะดูพระอยู่ดีๆวิญญาณเปรดสิงเลยนะอยากได้นนท์ได้นี้ หัดหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้ทุกอิริยาบถคือการปฏิบัติทุกความเคลื่อนไหวคือการปฏิบัติทุกการหายใจออกหายใจเข้าคือการปฏิบัติฝึกไปเรื่อยดูตัวเองแต่ละคนเรียนแบบกันไม่ได้อย่างหลวงพ่อบอกว่าบางคนไปล้างรถแล้วมีความสุขอ่ะบางคนไปล้างรถแล้วหงุดหงิดนะ ก็มีมันล้างรถแล้วหุ่นหินนะเอาล้างรถมาทำกรรมฐานไม่ได้ใจไม่สงบอ่ะนี่บางคนบอกว่าถ้าได้จีบสาวอ่ะมีความสุขใช้ทำกรรมฐานได้ไหมไม่ได้จีบสาวกิเลสมันกระเพื่อมกิเลสมันแรงขึ้นจิตไม่สงบหรอกมีความสุขแต่มีความสุขแบบราคะ จิต ท, ที่มีความสุขมันมีสองชนิด <Yeah. S 1> คือจิต ท, ที่มีราคาและจิต ท, ที่เป็นกุศลเงี้ยแตาต้องดูไออันนี้มีความสุขแต่เป็นความสุขแบบมีราคาอันนี้ใช้ไม่ได้ <Yeah. S 1> บางทีบางคนชอบตกปลาตกปลาแล้วมีความสุข็มองปลัดปลงไม่ได้กาเอาปลา หย่อนเบ็ดลงไปไม่มีเหยื่อหรอกย่อนลงไปเฉยๆดูปลามันมาดูน้ําดูปลาอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยใจมีความสุขหลวงพ่อตอนเด็ ก, ดกบ้านอยู่ริมคลองคลองชื่อคลององอ่างใครเคได้ยินไหมรู้จักไหมคลององอัง นะชอบไปอยู่ชั้นบนของบ้านนะดูลงมาที่คลองละระลอกน้ำมันไหวพลิ้วๆๆิวพลนะเวลามันสวยมากนะร่ลรอกเล็กๆอ่ะรู้จักระรอกไหมไม่ใช่คลื่นนะเป็นระลอกเล็กๆถูกลมพัด น, ะนะนั่งดูจิตก็สงบเลยนะเนี่ยสมาธิ เต็มไปหมดนะรอบๆตัวเราเนี่ยถ้ารู้ จ, กจกักจัดการกับจิตใจตัวเองให้ถูกต้องอยางเราเห็นน้ำเห็นเราลอกคลื่นอะไรเงี้ยมีความสุขเราไปนั่งดูใจสบายตอนเย็นๆไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าดูนกกลับหลังในกรุงเทพแต่ก่อนยังมีนกเยอะนะตอนห่วงพ่อเด็กๆ ดูฟ้าเป็นสีแดงสีอะไรนะใ่ไม่มีความสงบสุขมเป็นสมาธินะ่ะมันเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธิมันเกิดได้ทั้งวันเลยแต่ตอนนั้นยังเด็กยังไม่เจอหลวงปู่ดุลทำได้แต่สมาธิเห็นเวลาหลวงพ่อทำสมาธิไม่ยากอะนึกอยากทาสมาธิเมื่อไหร่ก็ทำตรงไหนก็ทำได้เพราะว่าเราฝึกอยู่ในชีวิตจริง ไปงานศพถ้านะทาสมาธิง่ายไม่ยากอะไรถ้าไปงานแต่งเนะี่ยสมาธิไม่ค่อยมยีเพราะว่างานแต่งงานนั้นต้องเดินไปเดินมาคุยคนโน้นคุยคนนี้นะงานหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงงานอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เพื่อการปฏิบัติไปเท่าที่จำเป็นไปงานศพดีนะไปถึงไปนั่งฟังพระสวด ไปเห็นคนตายนอนอยู่ในโรงอะไรเงี้ยใจมันก็พิจณามรณสติไอ้คนนี้เมื่อก่อนมันก็เดินอย่างเรานี่แหละตอนนี้ไป น, นอนอยู่ละใจพิจนามรณสตินะใจก็ได้สมาธิขึ้นมาไปฟังพระสวดนะจิตสงบอยู่กับเสียงสวดก็ได้สมาธิขึ้นมาในอัฐฐฐตถกาาธรรมบทนะมีเรื่อง เทวดากลุ่มหนึ่งเป็นพวกเทพบุตรุเทพธิดากลุ่มหนึ่งนะท่านเล่าบุพกรรมของท่านก่อนจะมาเป็นเทพประบุเทพธิดาเนี่ยเป็นข้างข่าวอยู่ในถ้ำในพระเข้าไปอยู่ในถ้ำนะพระก็สวดมนต์เรื่อยๆนะข้างข่าวนี้มันฟังใจมันจับอยู่กับบทสวดมนต์เวลามจะตายใจมันก็จับอยู่กับบทสวดมนต์ จับียกเสียงสวมดมนต์ใจจะเป็นสมาธิจะเป็นเทวดาได้เงี่ยมันอยู่ที่เรานะจะเลือกสรรจะเอาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นหรือเร็วลงอยู่ที่ปัญญาของเรานะบางคนอยู่กับโลกนะ ว, วันวันเลยสาวทั้งวันเลยเดี๋ยวเหลยคนโน้นเหลยคนนี้นสวยไปหมดเลยยกเป็นเมียตัวเองนะคนอื่นน่าดูไปหมดให้ใจเนี่ยอมได้กิเลสทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่อง่ะหลุงพ่อเวลาดูสาวนะถ้าวันไหนขาดสตินะสาวมันก็สวยนะแต่วันไหนมีสติเห็นแล้วมันสังเวชร่างกาย ของคนจริงๆสกปลกเราพยายามแต่งข้างนอกให้ดูดีไม่คล้ายๆบ้านเรานะเก่ากระดํากระด่างสกปรกนะรุงรังแต่ทาสีบ้านซะสวยเชมองเพลินๆจากหน้าบ้านนอกบ้านดูไปว่าบ้านนี้สวยจริงๆข้างในขยะทั้งนั้นเลยจริงๆร่างกายเราเหมือนได้บ้านสวยๆนะั่นแหละทาสีสวยๆ ข้างในเละเทนะเลยเนี่ยบางทีมองทะลุเข้าไปนะเห็นไส้เป็นขดๆเห็นกระดูกเห็นไงไงอะไรเง้ดูไม่ได้บางทีเห็นสาวสวยเดินมานะดูไปปุ๊บคราวนี้ไม่ได้ดูไปที่กายนะดูไปที่จิตโอ้โหนางนี่ตอแหลสุดยอดเลยความสวยนี่หายไปเลยนะ นนี้มันตอแหลจริงๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้ามันเป็นตอแหลอะไรมาะทําท่าเรียบร้อยสวยงามะเ mm hmm. นื้อใจพอมีสมาธิขึ้นมานะดูอะไรมันก็เป็นธรรมะขึ้นเนใจเราฟุ้งซ่านดูอะไรก็เป็นอาธรรมไปหมดละ mm hmm. อย่างเห็นผู้หญิงบางทีก็ดูสวยไม่นานก็แก่ะ mm hmm. ผู้หญิงอะ แก่เร็วซะด้วยเป็นสาวยากยากแต่ตอนแก่นี่เร็วมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแก่แล้วจริงป่ะต้องถามผู้ชายคดีนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดเเนี่ยอยู่ที่ใจเรานะใจเราฝักไฝ่ในธรรมะนะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา ใ, ใจเราฝักไฝ่อาธรรมอาธรรมก็แสดงตัวครอบงมใจของเราเราไม่เห็นนะมันครอบใจเพราะการปฏิบัติธรรมพยายามรวมการปฏิบัติมาอยู่ในชีวิตจริงให้ได้รู้จักตัวเองทำยังไงแล้วสติเกิดทำยังไงแล้วสมาธิเกิดทำยังไงแล้วปัญญาเกิดให้ฉวยโอกาสสวยจังวนหวะอานนไปทำ อย่างหลวพอสังเกตอีอย่างเวลาเราภาวนาแล้วเราติดขัดเราดูไม่ออกว่าเราภาวนาผิดตรงไหนหลางพ่ะจะดูตอนตื่นนอนตอนที่เราหลับอยู่เนยจิตลงผวังจิตไม่ได้ปรุงแต่งการปฏิบัติแต่พอตื่นปุ๊บเราคิดว่า เ, เราจะภาวนาไงดีเนี่ยจิตจะเคลื่อนเข้าช่องที่เคยชินเลยนะมันเคยปฏิบัติผิดเช่นส่งจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ย เราดูไม่ออกกลางวันเราดูไม่ออกเรารู้ว่ามันไม่ถูกแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้ก็นะใช้ตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นนอนปุ๊บคิดถึงการปฏิบัติแล้เห็นเล้จิตมันเคลื่อนออกไปรินะ่มไปอยู่ในโลกที่ว่างไปอยู่กับความว่างอ้อผิดตรงนี้เองที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่เห็นนี่เองพอเรารู้ทันเนี่ยจิตมันก็ไม่ออกนอกมันจะเคลื่อนมันขึ้นมาจากรวังนะ คิดถึงการปฏิบัติมันขยับจะออกนอกเรารู้นั้นนะมันก็ไม่ไปจิแล้วตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพยายามฝึกนะฝึกเข้าไปช่วงไหนควรทำสมถะก็ทำสมถะสมถะมีสองอันนะอันหนึง่งทำไปให้จิตสงบก็ใช้วิธีน้อมใจที่สบายบายใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุข รู้อย่างสบายๆอย่าไปบีบอย่าไปเค้นตัวเองให้สงบนะใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขรู้ไปสบายบายรู้อย่ามีความสุขปุ๊บเดียวเองสมาธิที่สงบจะเกิดขึ้นนะอย่างหลวงพ่ออ่านการ์ตูนแล้วมีความสุขเนี้ยหลวงพ่อก็น้อมใจไปอ่านการ์ตูนไม่สนใจเรื่องอื่นเลยนะสนใจอยู่ที่การ์ตูนอ่านไปกนะ็ใช้ใจที่ธรรมดา ใจมันขำก็ขำไปเพราะ ม, มันขำได้สองสามทีเท่านั้นนะจิตมันมีพลังขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็วางหนังสือได้ภาวนาต่อดูจิตมีความสุขก็รู้ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าเจริญปัญญาในการดูจิตได้เลยไม่ได้ยากอะไรนี่ถ้าเราต้องการฝึกจิตให้ตั้งมั่น ทำสมาธิแบบตั้งมั่นสมาธิมีสองแบบนะแบบสงบเฉยๆกับแบบตั้งมั่นแบบตั้งมั่นเราก็ต้องใช้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองนะไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขนะอันนั้นจะได้สมาธิชนิดสงบเรียกว่าอารมณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียว สมาธิตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกแบ่งเวลาไว้แต่ละวันเวลาไหนเหมนะาะเนช้าเหมาะก็ใช้ตอนเชา้ากลางวันเหมาะก็ใช้กลางวันหัวค่ำเหมาะก็ใช้หัวค่ำนะบางคนต้องนอนไปตื่นหนึ่งก่อนดึกๆตื่นขึ้นมาเนี่ยนะรานะก็จิตมีแรงใครเป็นบ้างกลับจากที่ทำงานไปบ้านนะนะยังไมรีบปฏิบัต ทำอะไรก็เราไปให้สบายใจไปแล้วก็นอนนะแล้วก็ตื่นขึ้นตอนดึกๆึกอ่ะจิตมันได้พักมาช่วงหนึ่งละนะเป็นวิธีขี้โกงสําหรับพวกที่เข้าฌานไม่เป็นนะการนอนเนี่ยมันแทนได้แทนได้ระดับหนึ่งเวลานอนเนี้ยจิตมันลงพวางมันเรียบไ ม, ไม่ไม่กระเพิ่มกระเพิ่ ม, ก ร, มกระเพิ่มอย่างนีนะ้อันนี้มันกระเพื่มแรงๆเงี้ยไปนั่งสมาธิมนก็นั่งก็เพื่มไปอย่างนี้นะ ไม่ได้เรื่องไปนอนสักยิบหนึ่งพอนอนไปหยิบหนึ่งตื่นขึ้นมานะจิตใจสดชื่นแล้วก็ภ า, าวนาต่อตอนดึกๆ ก, ก็ลุกขึ้นมาภาวนาี้พอสมควรเก่บเวลาแล้วพรุนี้ยังต้องทํางานก็นอนอีกสักหยิบหนึ่งก่อนจะสว่างอย่างหลวงพ่อตอนมาบวช น, นะอยู่สวนพตอนมาบวช ตอนเช้าสอนโยมสอนแล้วเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากเลยต่นนั้นแรงเราก็ยังไม่เยอะโยมที่มาหารุ่นแรกๆก็เข้ยวเล็บมากนะคล้ายๆคนไม่เคยเห็นกันนะอย่างพวกเรามาทีหลังไนดะ้เห็นหลวงพ่อเป็นพระแล้ยก็ไม่ค่อยอยากหือรอกแต่นี่เคยเป็นโยมกระทบไหลกันมาเพี้น สอนอะไรก็ไม่ฟังเถียงทุกคําที่สอนอะไรอยงเงี้ยมหาเราหาสวรรค์วิมานอะไรหาไม่ได้หรอกสวรรค์วิมานมีหานรุเนี่ยเราไปนึกเมื่อไหร่มึงจะกลับสัทีวะนรกแรกๆไลายคนไม่เป็นนะสงสารเขาเขาก็นางพูดไปเรื่อยๆแล้วยเาก็ทนฟังเรื่องงี้เง่าไปเรื่อยเรื่อยตอนหลังๆไม่เอานะพอใครจะเริ่มพูดเรื่องงี้เง่าไล่จิกเลยะฟุงซ่านแล้ว มีเสียคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของที่ดินสวนโพเขานับถือหลวงพ่อสุจินนะเขาถวายที่ดินให้ท่านอันนี้ท่านก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะพอหลวงพ่อจะบวชนะท่านบอกให้ไปอยู่ตรงเนี้ยเราเลยไปสร้างกุฏิสร้างศาลาอะไรขึ้นมาตั้งหลายหลังกนะ็อยู่เสียตัวนี้แกเป็นคนเครียด เป็นคนเครียด น, นะกินเหล้าเครียดพอเครียดได้ที่เนี่ยจะเข้ามาที่วัดนะมาทำอะไรมาเล่ามาระบายพอแกไปนะเราอย่างนี้เลยนะตอนนั้นเราก็ยังภาวนามไม่ชำนาญเท่าไหร่ตุปัตตุเปไปยบางวันแกเครียดนนะแกมโมโหเมียแกแกชอบไปซื้อพระปลอม เนี่ยอันนี้ก็สมเด็จโตสร้างอันนี้ก็สมเด็จโตนะเนี่ยวันนี้เอามาจากวัดทะแก้วเลยเอามาได้ไงว่าจากวัดถ้๊ะแก้วโดยนิยายของวงการพระเครื่องหลอกนะซื้อมาองค์หนึ่งเป็นแสนแสเลยเมียก็ดา่าเมียก็ดา่าโมโหเ ม, มียนะต่อหน้าเมียก็ไม่ได้ถืออะไรหรอกอามาตะโกนอยู่ที่วัดนะกูจะฆ่ามึง นเี่ยประกาศเลยจะฆ่าเมียนะบ้านก็อยู่ติดกับวัดนะ่ะตะโกนซะลั่นเลยนะตะโกนไปตะโกนไปเอ้ยมันได้ยินเปล่าเดี๋ยวมันฆ่ากูเนะ <c oughs> นี่ยหลังๆหลวงพ่อเลยไม่เอาพอแก่มาแล้วเฮ้ยฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านนะแกเลยไม่เข้าวัดเพราะแก่มาแล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแกเครียดกว่าเกา่า <c oughs> เราสอนกรรมฐานเนี่ยเครียดกว่าเกา่าเลยไม่มา เนี่ยหลวงพ่อก็ใช้วิธีนะพอโยมไปแล้วเราเหนื่อยเต็มทีแล้วนั่งสมาธิมันก็เสียเวลานอนนอนหลับไปสักยีบหนึ่งนะตื่นมาสักบ่ายสองบ่ายสามเลยเนี่ยตื่นมาแล้วก็ามาภาวนาต่อได้พักจิตได้พักมาช่วงหนึ่งมาภาวนาต่อก็ทำได้เนะงียินงกระทั่งการนอนก็เป็นศิละปะเป็นศิละปะในการปฏิบัตินะ แต่เมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็อย่าเอาเป็นข้ออ้างนะนอนมันทุกวันเลยนะหนูอยากภาวนาบ่อยๆอยงั้นเช้าหนูก็นอนกลางวันหนูก็นอนบ่ายก็นอนอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นโะมหะไปกินหมดเห็นไะหมว่าจริงๆแล้วการปฏิบัตินะ่ะมันเป็นศินละปะนะมมีมีชั้นเชิงที่จะปฏิบัติแต่ว่ารู้หลักอย่างถ้าเราต้องการความสงบเนี่ยต้องให้ใจผ่อนคลาย ถ้าเราต้องการจิตตั้งมัน่นต้องรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสบายทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าจิตจะตั้งมั่นเองอถ้าเราจะเจริญปัญญาก็าดูทะลุเข้าไปดูรูปเพื่อดูให้ทะลุลงไปเห็นนะันนี่จังทุกขังอนัตตา ดูนามาทรมก็ดูให้ทะลุนามาทรมลงไปเห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นแฝงอยู่ในรูปในนามเนี่ยถ้าดูไม่เป็นนะเห็นผู้หญิงงูสวยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยนะถ้าดูเป็นนะดูทะลุลงไปก็แค่วตัตถุธาตุานั้นเองมาประชุมกันมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลา ธาตุไหลเข้าก็ดูดีนะแต่ธาตุที่ไหลออกมาดูไม่ดีแะนะเนี่ยใจที่จะมีราคาเนะี่ยไม่เอาละะโศคลูกนี่ว่นะมมานะมีแต่ความไม่เที่ยงความสวยความงามก็ไม่เที่ยงความสาวก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวไม่นานตีนกาเขาขึ้นเราก็ไม่ต้องไปว่าเขานะว่าตีนกาเขาขึ้นทําร้ายจิตใจฮอกมากไป เวลาเห็นคนแก่ๆนะก็อย่าไปบอกดูแก่ชังเลยหน้าผากก็ย่นย่นไปทั้งตัวอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เราก็เจอคนแก่แล้วก็ชมดูทรงภูมิอย่างไรนะดูมีประสบการณ์ชีวิตสูงอย่าเงี้ <c oughs> เนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะ ตอนไหนอยากทำความสงบก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขตอนไหนอยากให้จิตตั้งมั่นก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการน้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานมารู้ทันใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะอยากเจริญปัญญาก็ ย, ยมัวติดรูปติดนามอยู่ดูรูปเห็นแค่รูปดูนามเห็นแค่นามนามเช่นโลภโกรธลงรูวว้ ว, ว่าโกรธโกรธรู้ว่าโกรธ แค่นี้ยังไม่เป็นวิปนะัสนาดูทะลุลงไปในความโกรธอีกความโกรธตะกี้ไม่มีตอนนี้มีความโกรธมีอยู่ชั่วคราว เ, าเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูรู้จักดูตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็ดูทะลุรูปธรรมนามธรรมเข้าไปให้เห็นไตรลักษณ์อย่างร่างกายค น, นยว่าสวยว่า ง, งามดูเข้าไป มันก็เป็นาธาตุมีาธาตุไหลเข้ า, าธาตุไหลหออกทั้งวันนะไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนสัตว์เราเขาอะไรเนาะเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุดูอย่างเงี้ยก็ได้ปัญญาเห็นอนัตตางั้นสิ่งที่สอนอันนี้นะเป็นแก่ปฏิบัติในภาคสนามเลยนะเพราะให้สอนว่าสมถะทําทยังไงให้จิตสงบทํายังไงให้จิตตั้งมั่นอันนี้บรรยายมาเยอะล้ จะเจริญปัญญาในการดูกายทำยังไงจเจริญปัญญาในการดูนำมาทำจะทำยังไงสอนมาเยอะล้ะแต่ว่าพวกเราพยายามรวมการปฏิบัติเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆรตอนนี้จิตฟุ้งซ่านนียกลางวันเนี้ยนนจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงหรือว่าจิตมีแรงแล้วจะเดินปัญญาอย่างไงนะเจริญปัญญาไปได้เลย อย่างหลวงพ่อนะได้ยินเสียงหัวหน้ากองกาลังขยับตัวอยู่อีกห้องหนึ่งได้ยินเสียงนะจัดเก้าอี้แกนะใจเราก็หงุดหงิดแล้วเราจะรีบทํางานเนี่ยเดี๋ยวแม่นี่จะต้องมาชวนเราคุยอีกแล้วนะจะมาคุยเรื่องงานถ้าไม่คุยนะงานจะเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวก็มาคอยมาดูความคืบหน้าอะไรเงี้ยนะนะนะพอได้ยินเสียงเก้าอี้นะโทรสาขึ้นแล้ว เราก็ดูโทรสะมันเมื่อกี้ไม่มีมันพุ่งขึ้นมาพระพอรู้ทันมันก็ดับไปเนี่ยก็เดินปัญญาอย่างนี้ได้เลยเดินปัญญาไม่ไหวก็แผ่เมตตาเลยเป็นสุขเป็นสุขทถิดเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนีกัดฟันไดหนึ่งจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปพ้น<_><_><_><_>คนจริงก็จะัวดราอนชากว่าเรงั้นไปฝึกตัวเองนะ แต่ว่าที่สำคัญนะการทำในรูปแบบนีจำเป็นมากนะการทำในรูปแบบนี่ยทำให้เรามีพลังที่จะมาเจริญปัญญาจเจริญสติจเจริญสมาธิในชีวิตประจาวันหลวงปู ม, มัน่นท่านถึงสอนนะว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าสงบอย่างเดียวเนี่ยเสียเวลาชิดพิจรณานั่งพิจารณาธรรมะอย่างเดียวเลยฟุ้งซ่าน ท่านก็สรุปในหัวใจของการปฏิบัติคือการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนอนะีอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราเป็นฆราวาด น, นดำรงชีวิตอย่างฆราวาสอย่างนีนะ้ตอนนี้จะทำสมถะตอนนี้จะทำจิตตั้งมั่นตอนนี้จะเจริญปัญญานะทำไปคลุกคลีให้ใจคลุกคลีอยู่กับธรรมะให้มากที่สุดนะใจมันจะไม่หลงโลก ยังใครมาชวนหลวงพ่อไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรไม่ไปตอนหลังเขาก็เลิกชวนเสียเวลาให้คนนี้ไม่ไปะลยชวนไปวัดก็ไม่ค่อยไปนะคนมาชวนไปวัดก็ไม่ไปเพราะเรามีวัดในดวงใจไม่ได้ไปวัดสเปซสะปาะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ